เบื้องต้นก็ละตันหามานะ์ทิฐิด้วยสมนุปัสสนาด้วยอนุปาานัสสนาญาณแต่ถ้าเป็นระดับตัดได้เด็ดขาดจริงๆก็ด้วยอรยิยมรรคเมื่อตัดได้เด็ดขาดก็ไม่ผวาด้วยอำนาจตันหเพะยันรูปจะสลายก็สลายไปแต่ใจท่านไม่สะดุง้งนะด้วยตันหาและด้วยโทสะไม่มีอภิชาในอภิชาและโทมนัในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเลยเนี่ยนะ ทีนี้ณที่ตรงนั้นมีพระพิสุผู้หนึ่งเป็นคนฉลาดมาก เ, เอบทในอัตถกาธาน่าสามร้อยสิย่อนหน้าล่างบอกว่าเอวังวุเตอัญญตโรพิขุความว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพิกษุผู้ฉลาดในอสนุสนทิการเชื่อมต่อเรื่องราวเนี่ยนะรูปหน่งมีความคิดขึ้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงถึงพระขีณาสพผู้ไม่สะดุ้งด้วยอานาจตันหาอย่างนี้เนี่ยนะ เพราะความพินาศแห่งขันในภายในเสร็จแล้วพระองค์ก็จบเทสนาก็เมื่อพระขีณาศพผู้ไม่สะดุ้งภายในอยู่ก็เลยมีความคิดว่าผู้สะดุ้งในภายในผู้สะดุ้งในภายนอกสะดุ้งภายในกับสะดุ้งในภายนอกสะดุ้งภายในเพราะ บ, บริหารพินาศและไม่พินาศเนี่ยนะมันเป็นยังไงนะก็เลยถามปัญหาด้วยเหตุสี่ประการถามปัญหาด้วยเหตุสประการเนี่ยนะ ปัญหาที่พระพิสุรูปนั้นท่านถามท่านถามในในข้อสองร้อ้อยแปเนี่ยนะสองหน้า289เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้พิสุรูปนั้นกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอันนี้เป็นกับปัญหาข้อที่หนึ่งว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อความพินาแห่งบริขารภายนอกไม่มีความสะดุ้งมีได้หรือไม่หนอ หมายความว่าบริหารภายนอกทั้งหมดทุกอย่างบริบูรณ์ทุกอย่างหมดเลยไม่มีอะไรสังขารเหล่าใดพินาษไหมแต่นิดเดียวทุกอย่างปกติคงเดิมหมดความสะดุ้งมีได้ไหมเมื่อกี้บอกว่าพระอาหานี้ไม่สะดุ้งในภายในใช่ไหมไม่มีอะไรเป็นเหตุให้พระอาหารสะดุง้งถ้าทุกอย่างภายนอกเป็นปกติหมดยังสะดุ้งได้ไหมสะดุ้งด้วยตันหาและทิฏฐิตัวสะดุ้งด้วยตันหาและโทสะนี่มีไหม พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีได้สิภิกษุทำไมจะสืุ่มงไม่ได้เช่นภิกษุบางคนในโลกนี้หรือคนบางคนในโลกนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งนั้นได้มีแล้วแก่เราหนอสิ่งนั้นย่อมไม่มีแก่เราหนอสิ่งนั้นพึงมีแก่เราหนอเราไม่ได้สิ่งนั้นหนอบุคคล น, นั้นย่อมเศร้าโศกลําบากร่ําไรคร่ําครวนตีอกถึงความลุ่มหลง พิกโซเมื่อความพินาศแห่งบริการในทายนอกไม่มีความสะดุง้งย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แหละแปลว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยนะทุกอย่างก็อยู่คล้ายๆเหมือนเดิมหมดทุกอย่างแต่คนสะดุ้งได้ไหมลำบากใจด้วยไหมมีตันหาได้ไหมบอกมีได้ทําไมจะมีไม่ได้เช่นคนที่มีความเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ได้มีแล้วแกเราเนอะไอรถคันเดิมมันไม่ใช่รถของเราแล้วหนอะสร้อยทองอันนี้มันไม่ใช่ของเราแล้วหนอ แก้วแหวนเงินทองข้าวของเครื่องใช้บ้านทั้งหมดเหล่านั้นไม่ใช่เป็นของเราแล้วหนอมสะดุ้งไหมล่ะคะเนี่ยภาวาะอะไรกันเหรือสิ่งนั้นย่อมไม่มีแก่เราหนอะตอนนี้เราไม่ได้อันนั้นเลยเมื่อก่อนก็อะไรเนี่ยเราสิ่งนั้นได้มีแล้วก็สิ่งนั้นได้มีแล้วแก่เราหนอะผู้ภาษาสมัยใหม่ว่าคนเคยรวยเนี่ยนะคนเคยรวยก็แปลว่าเคยมั่งมีใช่ไหมตอนนี้มันไม่มีแล้ว อย่างที่สองสิ่งนั้นย่อมไม่มีแก่เราหนอะตอนนี้เคยรวยแต่ตอนนี้ยังอยู่ในภาวะที่กําลังยากจนอู้หาอะไรก็ไม่มีซากอย่างสิ่งนั้นพึงมีแก่เราหนอะอันนี้ก็ตั้งโอ้โขอให้เราได้มีอย่างนั้นขอให้มีแกแวน่นเงินทองรูปบสวยกลิ่นรถตั้งความปรารถนาอยากจะมีอย่างนั้นอย่งั้นอย่นั้นอันนี้กว่าภาวะไม่นะภาวะสิ่งตกลงสุดท้ายปรารถนาอะไรก็ไม่สมความปรารถนาเลยเราไม่ได้สิ่งนั้นหนอะ คิดง่ายๆหนึ่งเคยมีสิ่งนั้นสองตอนนี้มันไม่มีแล้วสทํทำยังไงจะมีสี่ทำยังไงก็ไม่ได้สรุปโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาติคร่ำ ค, ครวญตีอกเพ่งความรุ่มหลงนี่แหละทุกอย่างในโลกก็เหมือนเดิมแต่เราก็เศร้าตามเดิมเนี่ยนะเรียกว่าอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งความเศร้าได้เหมือนกันทั้งในอัตถกถาท่านบอกว่าโดยที่สุดแม้กระทั่ง สิ่งของยานฐานะเงินทองของเราเนี่ยเคยมีแล้วหนอบัตรนี้เราไม่มีแล้วเน่ยทำยังไงเราจะมีสิ่งนี้บ้างหนอททำยังไงเราก็ไม่ได้เหมือ น, นเดิมหนออันนี้ถ้าเป็นของคารวะนะถ้าเป็นของพระพิสูจนก็บอกว่าเมื่อก่อนนะเราเคยมีวัดเป็นของเราหนอตอนนี้เราไม่มีวัดอยู่แล้วหนอะทำยังไงจะมีวัดสักวัดหนอเอ้ยทำยังไงก็ไม่ได้วัดเลยเนี่ยสรุปหมดปัญญาว่างันะ้นนะก็เลยเสียใจเลยนะ อันนี้ก็ยกตัวอย่างมาท่านบอกว่าบรรพชิตก็เช่นเรื่องปัจจัยสี่มีบาทจีวรเป็นต้นอันนี้เป็นคำถามข้อแรกบอกว่ า, าบริขารภายนอกไม่พินาศทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมหมดแต่ว่าตัวเองก็สะดุ้งได้นี่เป็นคำถามข้อแรกที่พระพิสุรูปนั้นถามในบรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะบรรทัดสุดท้ายหน้าสองร้อยแปดิกพิสุูนั้นถามเป็นปัญหาที่สองว่า ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อความพินาษแห่งบริขารภายนอกไม่มีความไม่สะดุ้งมีได้หรือไม่หมายคือว่าเมื่อกี้นี่ยคำถามแรกเาบอกว่าสะดุง้งมันสะดุ้งได้ไหมถ้าทุกอย่างปกติหมดสะดุ้งได้ไหมบอกได้ทีนี้คาถามว่าเอาเมื่อภาสังบริขารภายนอกคงเดิมปกติแล้วไม่สะดุง้งแปล ว, ว่ามั่นคงได้ไหมภาเมื่อกี้บอกว่าภาวะที่สะดุ้งด้วยตันหาและโทสะ อันนี้ปัญหาวัตตะใช่ไหมวิวัตะไม่สะดุ้งได้ไหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกมีสิที่สุเท่าไม่จะไม่มีเพราะบุคคลบางคนในโลกนี้มีความเห็นอย่างนี้คนนี้คือใครพระอารหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่มีความเห็นแบบนี้เลยว่าสิ่งนั้นได้มีแล้วแก่เราหนาะสิ่งนั้นไม่มีแก่เราหนอสิ่งนั้นพึงมีแก่เราเนอสิ่งนั้นเราไม่ได้สิ่งนั้นหนอ ท่านไม่มีความตัญหาหรือความปรารถนาด้วยอำ น, นาจตัญหามานะทิฏฐิเพราะฉะนั้นบุคคลคือพระรียเจ้านั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่คร่ำครวญไม่ตีอกไม่ถึงความลุ่มหลงดูความพิสุเมื่อความพิราษแห่งบริขารภายนอกไม่มีความไม่สะดุ้งย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แหลคือพระทหารเนี่ยเนื่องจากว่าท่านตัดตันหาได้หมดแล้วตัดมานะได้หมดแล้วตัด ทิฏฐิได้หมดแล้วเนี่ยนะท่านก็ไม่มีความเห็นว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราและเป็นอัตตาของเราภาวะบริขารภายนอกมันจะอยู่ยังไงก็ช่างมันเถอะท่านก็ไม่เดือดร้อนตามเดิมเพราะท่านไม่สะดุ้งด้วยตัณหาและด้วยโธสักเพราะอะไรเพราะท่านกําจัดด้วยอนุปัสนาเสร็จสิ้นแล้วท่านกําจัดตัณหามาณนะทิฏฐิได้เสร็จสิ้นแล้วภิกษุรูปนั้นถามเป็นคําถามที่สคือภิกษุนั้นทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ เมื่อความพินาศแห่งบริขารในภายในไม่มีความสะดุ้งพึงมีได้หรือก็คือหมายความว่าชีวิตยังสมบูรณ์พูนสุขดีทุกประการเช่นเป็นเทวดาผู้มีความสบายชีวิตมีแต่ความสุขอย่างเดียวเนี่ยนะคือทุกอย่างไม่มีเสียหายรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่น่าชื่นใจน่าปรารถนาไปหมดเลยเนี่ยนะมันสะดุ้งได้ไหม เช่นเป็นเทวดาอยู่มีอย่างมีความสุขเนี่ยนะสะดุ้งได้ไหมหรือเป็นมนุษย์ผู้มีแต่ความสุขโดยส่วนเดียวเนี่ยถามว่าสะดุ้งได้ไหมพระเจ้าค่ะพระองค์ก็บอกมีซิภิกษุทําไมจะมีไม่ได้ใช่ไหมมีสะดุงด้งในเหมือนกันหมดแหละ ย, ยกตัวอย่างบอกบุคคลบางคนในโลกนี้มีความเห็นด้วยตันหามานะทิฐิอย่างนี้ว่านั้นโลกนั้นอัตตาในประโลก เรานั้นจักเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่มีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาจาักตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนั้นแปลว่านี้อัตราของเราอัตราของเราชาติหน้าชาติหน้าจะได้เสวยความสมบูรณ์พูนสุขอยู่อย่างมีความสุขคงที่ยั่งยืนมั่นคงไม่แปรปรวนไม่สูญสลายอยู่ในสวรรค์นิรันดร์เขามีทิ่ติแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมบุคคลนั้นย่อมได้ฟังธรรมจากพระตถาคต เกิดผ่านไปได้ฟังธรรมเข้าหรือได้ฟังธรรมจากสาวกของตถาคตผู้แสดงธรรมอยู่เพื่อถอนซึ่งมิจฉาทิฐิแสดงวิธีถอนมิจฉาทิฏฐิถอนเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิถอนความตั้งมั่นแห่งมิจฉาทิฏฐิถอนความกลุ่มรุมแห่งมิจฉาทิฏฐิถอนเชื้อแห่งความยึดมั่นด้วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิทั้งหมด ท่านเหล่านั้นแสดงธรรมเพื่อรังงบสังขารทั้งหมดคือพระนิพพานแสดงธรรมเพื่อสละคืนอุปธิทั้งหมดคือพระนิพพานแสดงธรรมเพื่อสิ้นตัณหาคือประกาศพระนิพพานเพื่อสำรบตัณหาเพื่อดับตัณหาเพื่อนิพพานเมื่อพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอย่างนี้ขึ้นบุคคลนั้นมีความเห็นอย่างนี้ว่าถ้างั้นเราก็ขาดศูญย์แน่แท้เราต้องชิพหายเราจะชิบหายเราจะไม่มีแน่แท้ โอชาติหน้าเราก็ดับเราก็หมดเราก็ศูนย์สิเนีย่ยกำลังเหมือนกับอะไรเหมือนกับคนกําลังสร้างสวรรค์ไว้ในในใจใช่ไหมเสร็จแล้วบอกสวรรค์มันสลายในความคิดเกิดอะไรขึ้นชิบหายแน่ศูนย์แน่หมดแน่ไม่มีแน่เศร้าโศกคร่ําครวญลําบากทุ่มอกตีอกคร่ําครวญถึงความหลงพร้อมภิกษุเมื่อความบริขความพินาศแห่งบริขารในภายในไม่มีความสะดุ้งย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แหละขณะนั้นมีความสุขหมดแหละแต่ว่าเนื่องจาก ตัวเองเนี่ยคาดหวังในเรื่องชีวิตในชาติหน้าชีวิตในพบหน้าทีนี้พระพุทธเจ้ามาแสดงประกาศอริยสัจเข้าประกาศอริยสัจเข้าแล้วประกาศพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับวัตฏะเข้าเขาก็เลยนึยกว่าเขาจะต้องศูนย์แล้วผวาเลยค่ะนี่ ว, นวานไว้ยเลยโหชาติหน้าเราก็สูญสิเนี่ยเนี่ย น, นะก็เหมือนกับบอกว่าอะไรนะบุคคลที่คิดว่าตัวเองทาถูกถูกถูกถูกถูกหมดอยู่ตลอดตอนสุดท้ายมีคนมาบอกว่าผิดมีความสุขไหม ไม่มีแน่นอนใช่ไหมก็ฉันใดเนี่ยนักบอกอุย้ยเคยก็อะไรนะมีแต่คนมาบอกว่าเราอายุยืนอายุยืนอายุยืนหมดเลยมีคนคนหนึ่งเดินมาบอกคุณตายพรุ่งนี้อุยผวาเลยนะสะดุ้งเลยนะแล้วบุคคลนั้นที่แบบแหม่ฟังแล้วบุคคลน่าเชื่อถือด้วยเนี่ยเอาเลยนะี่นะกลัวมากเพราะฉะนั้นเมื่อบริขารภายในยังไม่บริไม่พินาศอยู่ดีมีสุขหมดก็สะดุ้งได้อย่างนี้แหละ ภิกษุถามเป็นปัญหาที่สี่ว่าเนี่ยนะปัญหาที่สีว่าภิกษุนั้นทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อความพินาศแห่งบริขารในภายในไม่มีความไม่สะดุ้งมีได้หรือไม่หนอพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่ามีซ่ภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความเห็นอย่างนี้เลยคือบุคคลนี้ไม่มีมิจฉาทิฐิด้วยอำนาจสัจจะทิฐิเลย เขาไม่มีมิจฉาทิฐิว่านั้นโลกนั้นอัตตาในปรโลกเรานั้นจักเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนั้นผู้นี้ไม่มีมิจฉาทิฐิสำคัญว่าเป็นอัตตาว่าสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเลยเมื่อเขาไม่มีทิฐิแบบนั้นเนี่ยนะบุคคลนั้นย่อมฟังธรรมจากพระตถาคตหรือฟังธรรมจากสาวกของพระตถาคตผู้แสดงธรรมอยู่แสดงธรรม แสดงอะไรประกาศพระนิพพานเพื่อถอนซึ่งซึ่งถอนขึ้นซึ่งทิฏฐิถอนซึ่งเหตุแห่งทิฏฐิถอนความตั้งมั่นแห่งมิจฉาทิฏฐิถอนความกลุ่มรุ่มด้วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิถอนเชื้อแห่งความยึดมั่นด้วยอํานาจตันหาทิฏฐิทั้งหมดเป็นการแสดงธรรมเพื่อสงบประงับดับสังขารเพื่อสละคืนอุปธิเพื่อความสิ้นตันหาเพื่อความสํารอกเพื่อความดับเพื่อพระนิพพานบุคคล น, นั้นก็ไม่มีความเห็นอย่างนี้ว่าเราจะขาดศูนย์ เพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้สําคัญว่าเป็นเราเมื่อไม่สําคัญว่าเป็นเราแล้วจะเอาอะไรมาศูนย์หล่ะว่างั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความคิดว่าเราจากักศูนย์เราจักพินาศเราจักไม่มีแน่แท้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีความเหม็นว่าเราศูนย์ชิบหายพินาศบุคคล น, นั้นก็ไม่โศกไม่โศกไม่ลําบากไม่ร่ําไห้ไม่คร่ําครวนไม่คร่ําครวญตีอกไม่ถึงความหลงพร้อมสรุปว่าเมื่อความพินาศแห่งบริขารภายในไม่มี ความไม่สะดุ้งย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แหลมันมีอยู่4คําถามใช่ไหมสรุปว่าที่ผ่านมาเนี่ยในข้อทั้งข้อ น, นี้ทั้งหมดมี4คําำถามคําถามแรกที่บอกว่าบริขารภายนอกคือหมายความว่าบริขารภายนอกไม่พินาศเลยสะดุ้งได้ไหมบอกได้อันนี้เป็นเรื่องของปุถุชนผู้ไม่มีสมถาวิปัสนาผู้ที่ดํารงอยู่ด้วยภาวะแห่งความยึดถือเนี่ยนะทีนี้ถ้าภาวะสังขารบริขารภายนอกไม่แปรปลวนไม่สะดุง้ง ก็เพราะว่าผ e ้าเรียเจ้าทั้งหลายไม่ยึดถือว่าไม่ยึดถือด้วยอำนาจตันหามานะเลทิฏฐิวิธีคิดง่ายๆว่าอารมณ์ภายนอกตัวทั้งหมดเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความสะดุ้งต่อเมื่อเจริญตันหามานะเลทิฏฐิยิ่งเจริญตันหาเท่าใดยิ่งสะดุ้งเท่านั้นยิ่งเจริญมานะเท่าใดยิ่งสะดุ้งเท่านั้นยิ่งมีมิจฉาทิฏฐิในมีมิจฉาทิฏฐิเท่าใดก็ยิ่งสะดุ้งเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนธรรมเพื่อกำจัดตันหามานะแล ทิฏฐิเพราะตันหามานะทิฏฐิเป็นที่ตั้งแห่งความสะดุ้งด้วยอำนาจตันหาที่นำไปสู่พบใหม่บ้างสะดุ้งด้วยอำนาจโศสะบ้างคำถามเนี่ยถ้าถ้าจะย่อๆลงมาก็เหลือภาบริขารภายในกับภายในกับภายนอกภายนอกก่อนภายนอกเนี่ยปุตุชนสะดุง้งพระอริยไม่สะดุง้งภายในปุตุชนสะดุง้งพระอริยไม่สะดุง้งก็มีอยู่สข้อเนี่ยนะ เท่ากับสี่ข้อแกเรียกว่าสุญญตาสีเงื่อนประกาศความว่างเปล่าทั้งภายในและภายนอกภาวะแห่งปุถุชนและภาวะแห่งพระอริยเจ้าต่างกันอย่างนี้แหละคงพอจะมองเห็นความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับพระอริยเจ้าว่าปุถุชนคิดอะไรง่ายๆปุถุชนคิดว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราด้วยอำนาจฐาหามานะที่ที่มันหวั่นไหวไปทุกเรื่อง ชีวิตจะมีอยู่ก็หวั่นไหวตัวจะตายก็หวั่นไหวเป็นก็หวั่นไหวเดือดร้อนตายก็หวั่นไหวและเดือดร้อนเกิดในภพใหม่ก็หวั่นไหวแล้วก็เดือดร้อนส่วนผ้าเรียเจ้าทั้งหลายจะด้วยเหตุผลใดปัจจัยใดก็ไม่หวั่นไหวและเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะท่านเข้าถึงภาวะที่คงที่ด้วยอำนาจปัญญาท่านมีปัญญาจึงเข้าถึงอรหัตผลเป็นภาวะที่คงที่ทีนี้สุนยตาสีเงินแล้วใช่ไหม นมาสุญญตาสมเงื่อนบ้างในข้อ283นะวันนี้เป็นวิปัสสนาระดับสูงทั้งหมดเลยนะก็ใครที่ฟังยังไม่ได้บุญก็ได้ยินได้ฟังก็เป็นบุญแล้วล่ะเนี่ยนะถ้าเข้าใจได้ก็เป็นบุญมากยิ่งขึ้นนะถ้าเข้าใจยังไม่ได้ได้ยินได้ฟังก่อนก็ดีใจแลยเนี่ยนะพอมาอ่านครั้งแรกเนี่ยหน้ามืดตาหมัวไปหมดไม่รู้เขาว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะอ่านแล้วก็แล้วเงียบครั้งที่หนึ่งก็เงียบครั้งที่สองก็ศูนย์ครั้งที่สามก็เปล่า โอ้แต่ว่าได้แต่ดีว่าปากกาเนี่ยขีดขีดขีดจนเนี่ยหนังสือมายิ้มได้หมดแล้วเนี่ยขีดทุกหน้าแต่ว่าขีดทุกบรรทัดมันก็เกินไปแต่ก็เกือบเกือบนะบางหน้านี่ขีดเกือบทุกบรรทัดจริงๆทั้งหน้านี่ไม่ขีดอยู่บรรทัดเดียวก็มีอย่างงี้ยนะก็ใช้เวลาหน่อยนะไม่รู้จะรีบไปไหนถ้าไม่เข้าใจเนี่ยมันรีบไม่ได้อยู่แล้วละ่ะนี่มาขึ้นสุญญาตาสามเงื่อนข้อ28งดสามภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเพ่งกําหนดถือบริขารที่หวงแหนคือไปยึดถือบริขารยึดถืออันใดอันหนึ่งด้วยความหวงแหนด้วยตัณหามานะทิฏฐิแต่ตรงนี้พิเศษยึดถือด้วยอํนนานาจมิจฉาทิฏฐิหวงแหนมากเนี่ยนะเช่นเด็กรักตุ๊ ก, กตาเนี่ยนะยึดถือตุ๊กตาเต็มที่เลยหวงแหนและยึดถือว่าเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยง แน่นอนแม้มันมั่นคงเหมือนแผ่นดินแผ่นฟ้าอากาศว่า ง, งั้นเถอะยึดถือแบบนั้นนะ่ะนะเธอทั้งหลายพึงพิจารณาเห็นบริขารที่หวงแหนซึ่งเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนั้นหรือไม่คือเขามีบางคนเนี่ยไปยึดถือเช่นยกตัว อ, อย่างว่ายึดถือตุ๊กตาว่ามันเที่ยงมั่นคงถาวร น, นิรันดรแน่นอนไม่มีเปลี่ยนอยู่ดำรงตลอดไปเธอคิดอย่างนั้นบ้างไหม พิสูจเหล่านั้นก็กราบทูลว่าไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าข่าไม่ได้เป็นมาแบบนั้นหรอกพระเจ้าข่าเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสาธุดีละพิสูจทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นบริขารที่ห่วงแหนคำว่าบริขารที่หวงแหนทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งหมดทุกชนิดเนี่ยน ะ, ะที่เป็นของเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนั้น คือสรุปว่าในโลกเนี่ยที่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาเคยเห็นเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรมั่งที่มันยั่งยืนมั่นคงแน่นอนเที่ยงแท้ไม่แปรเปลี่ยนเนี่ยเกิดมาเคยเห็นไหมอันนะใครที่อายุมากที่สุดในห้องนี้ถามว่าเคยเห็นสิ่งที่มันเที่ยงสักอย่างหนึ่งไหมอันนะแม้ทักเห็นเนี่ยมีบุญมากเลยนะเห็นของที่เที่ยงยั่งยืนเนี่ยนะเคยเห็นอะไรมั่งมันเที่ยงยั่งยืนเมื่อไรก็ยังงั้นแน่นอนมั่นคงเลยเนี่ยนะเคยเห็นไหม ไม่มีพระ อ, องค์ก็บอกว่าแล้วเธอเข้าใจว่ามันจะมีบ้างไหมที่มันของมันเที่ยงอย่างนั้นจริงๆคิดว่าจะมีไหมจริงๆแล้วมันไม่มีแต่แอบหวังว่าน่าจะมีใช่ไหมจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกสังขารที่เที่ยงอ่ะมันไม่มีหรอกแต่เชื่อไหมบางคนก็แอบหวังว่ามันน่าจะเที่ยงสักสังขารหนึ่งอย่างนั้นที่จริงแล้วเมื่อไหร่สรังขารก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกที่สังขารที่จะเที่ยงยั่งยืนคงที่เนี่ยนะ